เราจะได้ทราบว่าผู้ใดมีศีลผู้ใดไม่มีศีลทําไมถึงต้องทราบเพราะว่าถ้าเธอยังเป็นผู้แสวงบุญนะคือยังหาเนื้อน้าบุญอยู่เนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าคนไหนมีศีลไม่มีศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกเนื้อนาบุญได้อย่างหนึ่ง อ, อ๋อค่ะและการที่จะรู้ว่าพระสงฆ์มีศีลมากน้อยอย่างไรรักษาได้ดีหรือไม่เราต้องมีความรู้เรื่องวินัยท่านกำลัจะหมายความอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยท่านต้องตอบคาถามของคุณมณีเนตรแล้วล่ะค่ะเพราะว่า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 นะแสงสว่างประทิปโคมไฟเครื่องรูปลายรูปทายพวกนี้มีอยู่นะแต่การให้การถวายทานเช่นใช้แพะแกะไก่ที่นาเลือกส่วนไร่นาอย่างเงี้ยไม่มนะีที่จะบัญญัติไว้ก็จะมีอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้คําถามคุณมินเน่คือเครื่องรูปลายเนี่ยหมายความว่าอะไระก็คือ อ, อย่างเช่นอะไรดีสบู่อ่ะสะบู่เป็นเครื่องรูปลายไดนะ้ใช้ทําความสะอาดาอหรือว่า อยายาหม่องอย่างนี้เป็นเครื่องรูปได้ค่ะ่ะอาถวายพระสงฆ์ได้ไ ม, มไม่เป็นยาเหรอคะท่านคะก็เป็นยาที่ลักษณะเครื่องรูปไล่ไงใช้รูป อ, อหรืออย่างบางคนอาจจะถูกมีดบาดอย่างเงี้ยอาจจะมีครีมทาอย่างนี้นะพระก็สามารถใช้เครื่องพวกนี้ได้เวลาโกนหนวด่ะบาดเราอาจจะมีน้ํามันมาทาอย่างนี้ได้ใช้ายาโกนหนวดแบบสมัยใหม่ได้เป็นเครื่องรูปไล่ได้ไหมคะท่าน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 ว่าผู้ใช้จะพิจารณาอย่างไรเ ค, ครื่องรูปไลท์เนี่ยบางคนอาจจะมองถึงอย่างเช่นครีมกันแดดหรื อ, อว่าครีมทาไม่ให้ผิวแตกนะอย่างฤดูหนาวเนี่ยผิวแตกคุณทาได้ไหมพระก็อยู่ที่ว่าถ้าทาแล้วเพื่อความสวยงามไหมถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาเพราะรว่าอะไรรู้ไหาท่านอาจารย์คือปัจจุบันนี้เนี่ยการที่จะขายครีมกันแดดก็ต้องมีการโฆษณาก่อนอว่า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 คล้ายๆกันเลยถามเรื่องแป้งค่ะอืมก็ยังเป็นเครื่องรูปลาอยู่นะคะถามว่าแป้งทาผิวกายเนี่ยเป็นเครื่องรูปลาย ส, สาหรับสงและสมณพราหมณ์หรือไม่มหากสงหรือสมณพราหมณ์รับแป้งทาผิวถือว่าเป็นความผิดหรือไม่ออรับเนี่ยยังไม่ผิดหรอกแต่ ถ, ถ้าใช้เพื่อเป็นความสวยงามอันนี้ผิดแต่ถ้าใช้เพื่ออไม่ได้ความสวยงามอันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นทาเป็นผืนอย่างเนี้ย ท า, ทาได้นะถ้าจะทาแป้งเฉยๆหรือว่าอากาศร้อนอทาบ้างเพื่อให้มันระงรับความร้อนลงได้บ้างมีส่วนที่ทำให้ระบายความร้อนดีขึ้นแล้วก็ไม่มีเหนือมาเกาะอย่างเงี้ยก็สามารถทาได้อย่างนี้นส่วนทีนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆกับข้อแรกถูกไหมคะคืออยู่ที่วัตถุประสงค์ของการใช้แต่ว่าในการรับเนี่ย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 แต่ถ้าถวายเป็นปัจจัย4ี่นะแล้วรูปแบบของการรับเนี่ยก็คือมีไวัยวัจกรที่เป็นผู้ทํากิจแ ท, น, ทนสง์ในการจัดการไว้ให้อันนี้ก็สามารถทําได้นะะเพราะฉะนั้น <c oughs> ในรูปแบบก็คือว่าให้ไวัยวัจกรเป็นผู้จัดการโดยผู้ที่ถวายเนี่ยก็มาบอกกับพระสงฆ์ว่าได้ถวายปัจจัย4อันควรแก่สำนักจะ บ, บริโภคนะ วายมอบไว้ให้วัยาวพจกรพู้นี้เป็นการดำเนินงานถ้าท่านต้องการสิ่งใดก็ไปหาจากวัยาผจกรพู้นี้ได้ค่ะก็เท่ากับว่าจริงๆแล้วมีรายละเอียดที่มีแง่มีมุมซึ่งหากไม่ได้ฟังรายละเอียดนี่ก็อาจจะไม่เข้าใจประเด็นอยู่ที่ว่าพระสงฆ์กับเรื่องเงินทองเนี่ยไม่ได้เลยถ้าไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องถูกไหมคะคือรับเองเนี่ยไม่ได้แน่นอนอ่า แต่ถ้ามีการที่มีคนเข้ามาถวายแล้วแสดงเจตนาไม่ใช่ว่าถวายเงินให้พระสงฆ์เอาเงินไปใช้อืมแต่ถวายไปเพื่อปัจจัยสี่แล้วก็เป็นการมอบตัวเงินนี้ไว้ให้ไวายาวัจกรอย่างนี้ได้เพื่อสแสวงหาปัจจัยสี่อันควร น, นั้นเพื่อสแสวงหาปัจจัยสีอันควร น, นั้นใช่ไม่ใช่เอาเงินไปเก็บไว้ให้ไวายาวัจกรแล้ววายาวัจกรนะส่งตัวเลขมาให้ดูท่านท่านเดี๋ยวนี้มีสองล้านแล้วนะสบายใจไหมอย่างนี้นะ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 แกะได้ไหมหรือว่าม้าเรับไปแบกของไม่ได้เรารับไม่ได้รับล้วเรอผิดใช่ไหมแล้วรับอะไรรับปัจจัยสี่ไม่ใช่ทั่วทวไปด้วยนะอันควรแก่สมณะจบริโพกก็คือไม่ใช่พวกม้าพวกนาหรือว่าช้างเอาม า, าไว้อย่างนั้นน ะ, ะเช่นอะไรบ้างก็ข้าวนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรค พ, พวกนี้แหละที่มันสมณะพอจะบริโภคได้อ น, นี้ต้องค่อยศึกษาไปแล้วก็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 ถ้าให้มาทําสวนผลไม้เราก็รับไม่ได้เพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่อาชีพของสมณะใช่ไหมไม่ใช่การเลี้ยงชีพของสมณะแต่ถ้าคุณรับมาให้มาเนี่ยเพื่อให้มาเป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนาให้มาเป็นทำวัดหรือให้มาสร้างเจดีหรือสถานที่อะไรที่มันควรแก่สมณะจะบริโภคได้นะอันนี้สามารถทําได้เรา ร, รับได้อ่ออาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เพราะเขาคงจะถวายไปให้เป็น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 เรื่องมากหรือเปล่าว่าเลือกนั่นเลือกนี่อะไรอย่างนี้นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าวิจารนยาณของพระสงฆ์ถูกไหมคะใช่ๆ <c oughs> นะค ะ, ะแล้วก็คือเราก็จะต้องพิจรารณาบอกแก่คนที่ควรบอกได้แต่จริงๆที่ท่านตอบมาเนี่ยท่านว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้จักพระสงฆ์จนถึงขนาดรู้อุปนิสัยของท่านบางทีถ้าท่านพูดอะไรตรงๆออกมา